ธรรมบทแปลเรื่องที่104เรื่องประติศาส์เถระผู้เข้าถึงสกุลนายช่างแก้วภาคที่หเรื่องที่ส0บของวัคที่9ป้าปวัควันานาข้อความเบื้องต้นพระสัสดาเมื่อประทับอยู่ในพระเชตวันทรงปราบรพระเถระชื่อติสสะ ผู้เข้าถึงสกุลนายช่างแก้วตรัสพระธรรมเทศนานี้ว่าคบพเมเกเ อ, อุป จ, จันติเป็นต้นตอนพระเจ้าประสิทีิโกศลส่งแก้วให้หนายช่างเจรนัยได้ยินว่าพระเถรานั้นฉันพัดอยู่ในสกุลของนายมณีการผู้หนึ่งสิ้นสิบสองปี ภรายาและสามีในสกุลนั้นตั้งอยู่ในฐานะเพียงมารดาและบิดาปฏิบัติพระเถระแล้วอยู่มาวันหนึ่งนายมณีการกำลังนั่งหันเนื้อข้างหน้าพระเถระในขณะนั้นพระเจ้าประเสนที่โกศลทรงแก้มณีดวงหนึ่งไปด้วยรับสั่งว่านายช่างจงขัดและเจรานัยแก้มณีนี้แล้วส่งมา นายมณีการรับแก้วนั้นด้วยมือทั้งเปื้อนโลหิตวางไว้บนเขียงแล้วก็เข้าไปข้างในเพื่อล้างมือตอนแก้มณีหายนายช่างสืบหาคนเอาไปก็นในเรือนนั้นนกเรียนที่เขาเลี้ยงไว้มีอยู่นกนั้นกลืนกินแก้มณีนั้นด้วยสำคัญว่าเนื้อเพราะกลิ่นโลหิตเมื่อพระเถระ กำลังเห็นอยู่เทียวนายมณีการมาแล้วเมื่อไม่เห็นแก้มณีจึงถามภริยาทิดาและบุตรโดยลำดับว่าพวกเจ้าเอาแก้มณีไปหรือเมื่อชนเหล่านั้นกล่าวว่าไม่ได้เอาไปจึงคิดว่าชฉอยพระเถระาจาักเอาไปจึงปรึกษากับภริยาว่าแก้มณี เฉลยพระเถระจากเอาไปภริยาบอกว่าแน่นายนา ย, นายอย่ากล่าวอย่างนั้นดิฉันไม่เคยเห็นโทษอะไรๆของพระเถระเลยตลอดการประมาณเท่านี้ท่านย่อมไม่ถือเอาแก้มณีแน่นอนนายมณีการถามพระเถระว่าท่านขอรับท่านเอาแก้มณีในที่นี้ไปหรือพระเถระเราไม่ได้ถือเอาดอก อุบาสกนายมณีการท่านคอรับในที่นี้ไม่มีคนอื่นท่านต้องเอาไปเป็นแน่ขอท่านจงให้แก้มณีแก่ผมเถิดเมื่อพระเถระนั้นไม่รับเขาจึงพูดกับภริยาว่าพระเถระเอาแก้มณีไปแน่เราจาักบีบคั้นถามท่านภริยาตอบว่าแน่นาย นาอย่ายให้พวกเราชิบหายเลยพวกเราเข้าถึงความเป็นธาตุเสียยังประเสรฐกว่าก็การว่ากล่าวพระเถระผู้เห็นปานนี้ไม่ประเสรฐเลยตอนช่างแก้วทำโทษพระติสาเถระเพราะเข้าใจผิดนายช่างแก้วนั้นกล่าวว่าพวกเราทั้งหมดด้วยกันเข้าถึงความเป็นธาตุยังไม่เท่าค่าแก้วมณีดังนี้แล้ว จึงถือเอาเชือกพันศรีรษะพระเถระขันด้วยท่อนไม้โลหิตไหลออกจากศรีรษะหูและจมูกของพระเถระหน่วยตาทั้งสองได้ถึงอาการทะเลน้นออกท่านเจ็บปวดมากก็ล้มลงนภาคพพื้นนกเกรเรียนมาด้วยกลิ่นโลหิตดื่มกินโลหิตตอนช่างแก้วเตะนกกเรียนตายแล้ว จึงทราบความจริงขณะนั้นนายมนีการจึงเตะมันด้วยเท้าแล้วเขียไปพลางกล่าวว่ามึงจะทำอะไรหรือด้วยกำลังความโกรธที่เกิดขึ้นในพระเถระนกกรเรียนนั้นลมกลิ้งตายด้วยการเตะทีเดียวเท่านั้นพระเถระเห็นนกนั้นจึงกล่าวว่าอุบาสก ท่านจงผ่อนเชือกพันสีษาของเราให้หย่อนก่อนแล้วจงพิจารณาดูนกกระเรียนนี้ว่ามันตายแล้วหรือยังลำดับนั้นนายช่างแก้วจึงกล่าวกับท่านว่าแม้ท่านก็จะตายเช่นนกนั่นพระเถระตอบว่าอุบาสกแก้มณีนั้นอนกนี้กลืนกลิ่นแล้วหากนกนี้จักไม่ตายไซ ข้าพเจ้าแม้จะตายก็จกไม่บอกแก้วมณีแก่ท่านตอนช่างแก้วได้แก้วมณีคืนแล้วขอข้นมาพระติสัทธิระเขาแหว่ท้องนกนั้นพบแก้วมณีแล้ว ง, งงงันอยู่มีใจสลดมอบลงใต้เท้าของพระเถระกล่าวว่าขอพระผู้เป็นเจ้าจงอดโทษแก่ผมผมไม่รู้อยู่ทําไปแล้ว พระเถระอุบาสกโทษของท่านไม่มีของเราก็ไม่มีมีแต่โทษของวัตตะเท่านั้นเราอดโทษแก่ท่านนายมณีการท่านขรับหากท่านอดโทษแก่ผมไซท่านจงนั่งรับพิกษาในเรือนของผมตามทำนองเถิดตอนพระเถระเห็นโทษของการเข้าใช้คาเรือน พระเถระักกล่าวว่าอุบาสกตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเราจากไม่เข้าไปภายในชายคาเรือนของผู้อื่นเพราะว่านี้เป็นโทษแห่งการเข้าไปภายในเรือนโดยตรงตั้งแต่นี้ไปเมื่อเท้าทั้งสองยังเดินไปได้เราจะยืนที่ประตูเรือนเท่านั้นรับภิกษาดังนี้แล้วสมาทานทุดงกล่าวคาถานี้ว่า ปั จ, จติมุนิโนพัตังโท่กังโทกังกุเลกุเลปินติกายะจริสซามิอัติชังคะพลังมะมาติพัดในทุกสกุลทุกสกุลละนิดหน่อยอันเขาหุ่งไว้เพื่อมุนีเราจะเที่ยวไปด้วยปลีแค่งกำลังแข่งของเรายังมีอยู่ก็แลพระเถรรัก ครั้นกล่าวคาถานี้แล้วต่อการไม่นานนักก็ปรินิพานด้วยพยาธินั้นนั่นเองตอนคนทำบาปกับคนทำบุญมีคติต่างกันนกกรเรียนได้ถือปฏิสนธิในท้องแห่งภรยาของนายช่างแก้วนายช่างแก้วทำกาลาแล้วก็บังเกิดในนรกภรยาของนายช่างแก้วทำกาละาแล้วเกิดในเทวโลก เพราะความเป็นผู้มีจิตอ่อนโยนในพระเถระภิกษุทั้งหลายกราบทูลถามอภิสัมปรยพของชนเหล่านั้นกับพระศาสดาพระศาสดาตรัสว่าภิกษุทั้งหลายสัตว์บางจําพวกในโลกนี้ย่อมเกิดในคันบางจําพวกทํากรรมลามกย่อมเกิดในนรกบางจําพวกทํากรรมดีแล้วย่อมเกิดในเทวโลก ส่วนผู้ไม่มีอาสะวะยอมปรินิพานดังนี้แล้วเมื่อจะทรงสืบอนุสนที่แสดงธรรมจึงตรัสพระคาถานี้ว่ากัปภะเมเกอุปจันตินิระยังปาปะมรรมิโนสั ก, กังสุ ก, กติโนยันติปรินิบันติอนาสวาติจนทั้งหลายบางพวกยอมเข้าถึงคัน ผู้มีกรรมลามกย่อมเข้าถึงนรกผู้มีกรรมเป็นเหตุแห่งสุขติย่อมไปสวรรค์ผู้ไม่มีอาสวะย่อมปรินิพานแก้อัดในบทเหล่านั้นคันมนุษย์เดียวพระศาสดาทรงพระสงค์เอาในบทว่าขัพังนี้คำที่เหลือในคาถานี้มีเนื้อความตื่นทั้งนั้นฉนิ แ, แลในการจบเทศนา ชนเป็นอันมากบรรลุอริยผลทั้งหลายมีโสดาปติพลเป็นต้นดังนี้แลเรื่องพระติศาสตร์เถระผู้เข้าถึงสกุลนายช่างแก้วจบ